ปัญญามาแทนที่ตัณหาหมดหน้าที่มีชันทะเต็มที่มาถึงจุดนี้เข้าใจว่าข้อสงสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคงจะหมดหรือหายไปด้วยคือข้อสงสัยที่ว่าพระอรหันต์เป็นผู้หมดสิ้นตัณหาแล้วเมื่อไม่มีตัณหาซึ่งเป็นแรงชักจูงการกระทําต่างๆ พระอระหันต์มิกลายเป็นผู้อยู่นิ่งเฉยไม่กระตือหรือร้นไม่อยากทำอะไรกลายเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาไปหรือทั้งนี้พร้อมทั้งความสงสัยที่ว่าพระอระหันต์เป็นอยู่ด้วยปัญญาจะอยู่อย่างไรมีแต่ปัญญาไม่มีตัณหาจะทำการอะไรได้หรือเนื้อความเท่าที่ได้อธิบายมาน่าจะเป็นคำตอบที่กระจ่างแจ้งชัดเจนพอแล้วเพราะได้แสดงให้เห็นว่า ม่ใช่ตันหาอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจชักนำพฤติกรรมของคนและตัหาไม่ได้จูงใจให้ทำเท่านั้นแต่จูงใจให้ไม่ทำรวมทั้งให้ขี้เกียจ ด, ด้วยแต่ที่ร้ายก็คือไม่ว่าตันหาจะจูงใจให้ทำหรือไม่ให้ทำก็เปะปะั่นปป่วนไว้ใจไม่ได้ทางนั้นจึงต้องพัฒนาคนให้มีแรงจูงใจที่แน่ใจว่าดีแท้ไม่เสียหายเป็นอันว่า เมื่อคนพัฒนามากขึ้นตันหาก็ลดบทบาทลงไปพร้อมกับการจางลงของโมหะหรืออวิชชาโดยมีปัญญาพาฉันทะมาทำงานอย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีทั้งแก่ชีวิตและแก่ทุกคนทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจนในที่สุดเมื่อคนพัฒนาตนจนสิ้นโมหะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพึ่งตันหาให้ช่วยพาทำอะไรอะไรแต่มีปัญญาที่รู้จริง ช่วยให้ฉันทะซึ่งชัดว่าทาอะไรจึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ดีแน่มาครองบทบาทเต็มที่ในการทำกิจกรรมและกิจการทุกอย่างถึงตอนนี้ฉันทะพาคนทำตามที่ปัญญาบอกและพระอรหันต์ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเพราะเป็นบุคคลที่เต็มแล้วอิ่มแล้วก็จึงคิดแต่ว่าจะทำอะไรให้คนอื่นและให้ทั้งโลกมีความสุข ดังที่เคยบอกกติของพระอาหารหันต์ที่ว่าพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะคือทำการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อเกื้อการุนแก่ชาวโลกตรงนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำนอกจากนำคนในการพัฒนาตนก็นำอริยชนในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่มวลชนพระพุทธเจ้าทำไม่หยุดพระทรงเป็นอิสระชน เป็นเสรีชนที่แท้แม้แต่ข้างในก็ไม่มีตันหามาเหนี่ยวรัง้งแต่ตรงข้ามทรงมีฉันทะเต็มเปี่ยมจึงทําได้เต็มที่ฉันทะที่เต็มเปี่ยมนี้เป็นพระคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งในพุทธธรรม18ประการคือข้อที่สิซึ่งคําบาลีว่านัติฉันทะสหานิแปลว่า พระพุทธเจ้าทรงมีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะที่พาทำงานทำการทำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำงานอะไรก็ทำงานปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากกิเลสความชั่วร้ายจากทุกภัยปวงปัญหาพาให้ลุกถึงสันติสุขด้วยน้ำพระทัยแห่งพระมหากรุณานั่นเอง